กำมาบทแปลเรื่องที่1นึ่งเรื่องมารดาของพระกุมารกัสปะเถระข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารลมารดาของพระกุมารกัสปะเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโธเป็นต้น มานดาของพระกุมารกัศพบบวช ด, ดังได้สดับมามานดาของพระเถระนั้นเป็นที่ดาของเศรษฐีในกลุ่มราชครืกขอบรรพชาแล้วจำเดิมแต่เวลาตนถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแม้อ่อนบอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้บรรพชาแต่สำนักของมานดาและบิดาเจริญวัแล้ว ไปสู่ตระกูลผัวเป็นผู้มีผัวดังเทวดาอยู่ครองเรือนแล้วครั้นต่อมาไม่นานนักซาตเกิดในคันตั้งขึ้นแล้วในท้องของนางแต่นางไม่ทราบความที่คันนั้นตั้งขึ้นเลยยังสามีให้ยินดีแล้วจึงขอปรรพชาครั้งนั้นสามีนั้นนำนางไปสู่สํานักของนางภิกษุณี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 แต่ศีลของดิฉันไม่ด่างพร้อยเลยพวกนางภิกษุณีนำนางไปสู่สํานักของพระเทวทัตแล้วถามว่านางภิกษุณีนี้บวช ด, ด้วยศรัทธาพวกดิฉันไม่ทราบการแห่งคันของนางนี้ตั้งขึ้นบัดนี้พวกดิฉันจะทำอย่างไรพระเทวทัตคิดเหตุเพียงเท่านี้ว่าความเสียชื่อเสียง จงอย่าเกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราจึงกล่าวว่าพวกเธอจงให้นางนั้นสึกเสียนางภิกษุณีสาวนั้นฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าขอแม่เจ้าทั้งหลายอย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตแม่เจ้าทั้งหลาย จงมาเถิดจงนำดิฉันไปสู่พระเชตวันซึ่งเป็นสำนักของพระศัสดานางภิกษุณีเหล่านั้นพานางไปสู่พระเชตวันกราบทูลแด่พระศัสดาแล้วตอนพระกุมารกัดศพเกิดพระศัสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่าคันตั้งขึ้นแล้วในเวลานางเป็นครหอัน เพื่อจะเปลื้องเสียซึ่งถ้อยคําของชนอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนทิโกศลท่านมหาอนาถาปินทิกะท่านจุลอาณาถาปินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วส่งบังคับพระอุบาลีเถระว่าเธอจงไปจงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจด ในท้ำกลางบริษัท4พระเถรรให้เชิญนางวิสาขามาตรงพระพักพระราชาแล้วให้สอบสวนอธิกรณ น, นั้นนางวิสาขานั้นให้คนล้อมเครื่องล้อมคือม่านตรวจดูมือเท้าสะดือและที่สุดแห่งท้องของนางภิกษุณีนั้นภายในมานแล้วนับเดือนและวันดูทราบว่า นางได้คันในเวลาเป็นคเรือหัจึงบอกความนั้นแก่พระเถระครั้งนั้นพระเถระยังความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นในถ้ำกลางบริษัทแล้วโดยสมัยอื่นนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปะทุมุตระ ตอนมีกุมา น, นำหน้าเพราะพระราชาส่งชุบเลี้ยงภายหลังวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปณนาที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณีทรงสดับเสียงทารกจึงตรัสถามว่านี้เสียงอะไรเมื่ออมาัดกลาบทูลว่าพระเจ้าค่าบุตรของนางภิกษุณีนั้นเกิดแล้ว นั่นเป็นเสียงของบุรนางภิกษุณีนั้นทรงนำกุมารนั้นไปสู่พระราชมนเทียของพระองค์ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อชนทั้งหลายตั้งชื่อของกุมารนั้นว่ากสศพบเพราะความที่กุมารนั้นเป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเครื่องบริหารของพระกุมารจึงรู้กันว่า กุมารกสบกุมานั้นทุบตีเด็กในสนามกีฬาแล้วเมื่อพวกเด็กกล่าวว่าพวกเราถูกคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ทุบตีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพพวกเด็กย่อมว่าหม่อมฉันว่าไม่มีมัรดาและบีดา ขอพระองค์ทรงตรัส บ, บอกมารดาแก่หม่อมฉันเมื่อพระราชาทรงแสดงหญิงแม่นมทั้งหลายตรัสว่าหญิงเหล่านี้เป็นมารดาของเจ้าจึงกลับทูลว่ามารดาของหม่อมฉันไม่มีเท่านี้อันมารดาของหม่อมฉันเพิ่งมีคนเดียวขอพระองค์ตรัส บ, บอกมารดานั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงดำริว่า เราไม่อาจรวงกูมานี้ได้จึงตรัสว่าพ่อมารดาของเจ้าเป็นภิกษุณีเจ้าอันเรานำมาแต่สำนักนางภิกษุณีตอนกูมารกษศพออกบวชบรรลุพระอรหัตกูมานั้นมีความสังเวชเกิดขึ้นพร้อมแล้ว้วยเหตุเพียงเท่านั้นนั่นแหละ กราบถุนว่าข้าแต่พระบิดาขอพระองค์จงให้หม่อมฉันบวชเถิดพระชาทรงรับว่าดีล่ะพ่อแล้วยังกุมานั้นให้บวชในสำนักของพระศาสดาด้วยสาการะเป็นอันมากกุมารักสศพนั้นได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าพระกุมารักกศปาเทระ ท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้จึงคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษอีกมาสู่สำนักของพระศาสดาอยู่ในอันทวันแล้วครั้งนั้นภิกษุผู้ทำสมณธรรมร่วมกัน ในการแห่งพระกสบ พ, พุทธเจ้าบรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกมาจากพรหมโลกถามปัญหาส5ห้าข้อกับพระกุมารกสบนั้นแล้วทรงไปด้วยคำว่าคนอื่นยกพระศาสดาเสียที่สามารถเพื่อจะพยากรปัญหาเหล่านี้ไม่มีท่านจงไป จงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระศาสดาเถิดท่านทำเหมือนอย่างนั้นบรรลุพระอรหัตผลในเวลาที่ส่งแก้ปัญหาจบตอนมารดาพระกุมารกัศบบรรลุพระอรหัตก็ตั้งแต่วันที่พระเถระนั้นออกไปแล้ว น้ำตาไหลออกจากในตาทั้งสองของนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาตลอดสิบสองปีนางมีทุกข์เพราะพัดพรากจากบุตรมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทีเดียวเที่ยวไปเพื่อพิษาพอเห็นพระเถระในระหว่างแห่งถนนจึงร้องว่าลูกลูกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเถระส่วนล้มแล้ว นางมีฐานหลังน้ำนมอยู่ลุกขึ้นมีจีวรเปียกไปจับพระเถระแล้วพระเถระคิดว่าถ้ามารดานี้จักได้ถ้อยคำอันไพระะราอจากสำนักของเราซชยนางจักชิบหายเสียเราจากเจรจากับมารดานี้ทำให้กระด้างเทียวทีนั้นพระเถระกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่า ท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจตัดแม้มาดว่าความรักได้นางคิดว่าโอ้ถ้อยคำของพระเถระหยับคายจึงกล่าวว่าพ่อพ่อพูดอะไรถูกพระเถระว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีกจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้สิ้น12บสองปีเพราะเหตุแห่งบุตรนี้ แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้ตัดความสเสน่หาในบุตรบรรลุพระอารหัตผลในวันนั้นนั่นเองตอนพวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธคุณโดยสมัยอื่นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมารกษสส และพระเถรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทววั์ให้ชิบหายแล้วส่วนพระสัสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นแม้น่าอาจจัศจรรย์ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระสัสดาเสด็จมาตรัถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องช่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นปัจจัยและเป็นที่พำนักของคนทั้งสองนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเราก็ได้เป็นที่พำนักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกันดังนี้แล้ว จึงตรัสนิโครธชาดกนี้โดยพิสดารว่านิโครทะเมวเซวยะณซาขมุปส oh, ั่งวเซนิโครทะสมิงมะตังสซโยยันเจซาคัสมิชีวิตังเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อว่านิโครธผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อว่าสาขา ความตายในสำนักเนื้อชื่อว่านิคโครธประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขะนั้นจะประเสริฐอะไรทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อว่าสาขะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้แม้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขะนั้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละแม่เนื้อตัวถึงวาระ ได้เป็นพระเถรีบุตรได้เป็นกุมารกัศพส่วนพระยาเนื้อนามว่านิโครธผู้ไปสละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวมีคันคือเราเองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรแล้วทาที่พึ่งแก่ตนเองด้วยตนเองแลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย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 นาทั่งละพฏิดุลลพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาโธคือเป็นที่พานัก พระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้ว่าบุคคลตั้งอยู่ในตนคือสมบูรณ์แล้วด้วยตนสามารถทำกุศลแล้วถึงสวรรค์หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญหรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลได้เพราะเหตุนั้นแหละตนแลพึ่งเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าพึ่งเป็นที่พึ่งของใครได้ เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วคือมีความเสพผิดออกแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยากกล่าวคือพระอรหัตผลก็คำว่านาทั่งลพติตุลพังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาพระอรหัตในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้น ดังนี้แลเรื่องมารดาของพระกุมารกัสปะเทระจบ